มูจัดสักภควาตูอรห comp ัตุส er ัมมาสัมพุทธสัจณะมูจัสักภควาตอรหัตุสัมมาสัมพุทธสักนะมูัสักควาตูอรหัตุสัมมาสัมพุทธสักอญญานิกรสุรุษวัจเวงิทาหติปานินันตีตี เนโอกาสตัดนีด้อาตมาภาคแสดงพระธรรมเจีานาในปัญญาพิ่เราถ้าเพื่อกระสุนสงองควาศรัทธาบารมีที่บรรดาทนนิราทานบดีทั้งหลายได้พร้อมใจจะมาบำเพ็ญบุญสมประจำปักเดินแร่นไปข้านเดินอ้ายประชิที่อยู่ก้าันวาคมสองพันห้าสี่ิวันนี้ แต่ว่าสำหรับวั น, นี้วันดาท่านพุทธบริษัทจังไหลผู้ฟังเทกและฟัธรรมมีพระสร้อยี่ริ1 2ี่องค์ใช่ไหมว่ามีชีตวัวตมวาสบายมีชีื่อไข่สวายไม่ได้นับไงเป็นว่ารันดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านต่างคนต่างตั้งใจทำบุญบุญไแปลว่าความสุขหรือความดี อิรักการเมืองทุกคนตั้งใจดีบงังคือบาปคือความชั่วอันนี้การเท ศ, น, เทศน์วันนี้พระอิษารเทศแต่กว่าบรรดาที่เทศก่นอนเพราะขณะที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายมีพระเปนต้นสวดพรพระมีจินีโสภาหุมมหาการกุณีโกตาม น, นี้นก็มีพญายมกบัลชีขึ้นมา จดด้วยบอกว่าอาจารย์เรื่องมีบรรดาีิการมากยากที่จะถวายเอาไว้ฉันสอนฉันได้ฉันหนุได้ใช่จบไว้งไงวในโลกเป็นอาวุธทำบอกว่าคนที่บวช ก, ก็ดียากโยมที่รู้ปฏิบัติตัว ส, สัจพาสิงก็ดีถ้าหมดนี้ถ้าจดไว้ในบัญชีแผ่นทองจดชื่อใช้บัญชีแผ่นทองมาใย้ด ก็ถ้าว่าบุคคลผู้ใดเป็นพระอรเจ้าบุคคลคนนั้นท่จะใช้บัญชีแผ่นเจ้าก็จะเปทนตทองสลับกันก็เปลว่าบรรดาเจ้พุทธบริษัททุกท่านตั้งใจบวชการบวชเป็นพระก็ดีการบวชบัญชีก็ดีเวลาทานโบสถชนิสก็ดีทั้งหมดนี้เขาใช้แต่นทองและตัวทอง ตรงท่าวว่าถ้ามีแผ่นทองก็ดีตัวทองก็ดีพวกนี้จะลงงบระ ย, ยกวันนก็จะรู้ว่าถ้าวันพระเราทําบุญเขาจดตรงแผ่นทองถ้าวันนี้เราทําบาปเขาจดตรงใบปราดไป็นอางนี้หมานะหาหมาไม่ได้แต okay. ก็เป็นว่าวันนี้เขอฝากพุทธาทจะพุทธบริษัทคนไรฝาพระทั้งหมดซึ่งบวกเก่าก็ดีบวกใหม่ก็ดีวันนี้ รวมแล้วสอร้อยจุดสี่อสศาสหรับปัจบดาโวชีต่หาการบุญรรมดาทา่นานพระบริัททุกขัานทุกคนทีนหวังพระิพพันเป็นที่ไปก <c oughs> ็คนที่มันนั่งทลายทุกคนนี่ไปชอบจ ะ, บะเป็นบุตรนบาคนเี่เว็ัพระอริยเจ้าก็ม่ดพระอริยเจ้าถึงไม่แปลว่าตั้งแต่พระโสดาบันทิ้ไป ถ้าบคนใดปฏิบัติได้อย่างนีสือหนึ่งมีสื่ความตายไว้บนปกติเป็การดีสองมีความระเทวตเจา้มมาธรรมในรอริยสองไม่โคลนเป็นการดีสามดูสินห้าบริสุทธิ์เการดีสี่มีผลพันธ์เป็นอารมณ์ต้องการนลพันธ์อย่างเดียวอย่างนี้จิวยโศมดา บ, รรดาบััตย์สัตตุมุกยนเพียงแค่ไม่แค่นี้บรรดาเป็นพระบริสัท์ ตายจากตามเมคนก็ไปลงมาลายภูมิไม่ว่าจะตายชาติไหนทุกๆชาติจะไปลงมาลายภูมิเหอมอจะเกิดเ ป, ป็นโลกอีกเจ็ชาติก็จะไปผ่านถ้าเมืองคนดูมีความร้จะดเจ้าคนดีเพระทากนก็ดีเมื่อพึ้นความตายเปไหนมันก็ดีแล้วทรงกำหนดสุดได้ยังไม่พ้นนะัก หมายความว่าลืมว้างไม่ลืมว่างตัว้ยบ้างตั้งใจบ้างแต่ไม่ตั้งใจทำาะไรกันมดสิบข้อใดข้อหนึ่งันโฉนดก็เป็นขธรรม ด, ดาอย่างนี้ถ่อว่าเป็นโสดาบันทั้งตัวหลังละคือขั้นที่สองขังข้กลางแต่อย่าก ค, ความเป็นคนและเปคนอีกสามชาติเป็นทุกขายถ้าท่านโหนใดนึกทึกขความตายเป็นอารอาามณ์เขาว่าเป็นปัจจัสัาสาตามติจารย์แล้ว ถาสรงกำลังสึบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่ต้องขเกล่อนย่างนี้เป็นจะประสบดารังข no ันเเอห์พิชีเกิดเป็นรสอิาตาเยวปริภานถ์้าท่านตุนใดทรงกำลังสึกครบเพื่งนและมีความรู้สึกเห็นทุกเนตรในโลกต้งไหมายความรับความโลภโดการให้ทานแล้ว่าการกด้วยการทรงบริหารสี การหลงการวิจารณ์ร่างกายขอเราไม่าไม่เสี่ยงเป็นทุกข์เกิดแ ก, ก่เจ็บตายเปองธรรมดาในกาสุทรงแต่ว่ายังไม่หมดความโลภยังไม่ดความโกรธยัไม่หมดความหงารหงความความโกรธางยังมีอยู่แต่บางไปยังนิจะจาว่าสัพเสินกาคามีเตือนโดยลุกอกชาเดียบรวิพันธ์ถ้าท่านดได้ทำมากขนไปกว่านี้สามาร ถ, ถ, ถาารับโทสารการโกรธได้ ด้วยพลังก็รมีหหาสีกับรายะคตาทุนติแล้วก็สอแนแถได้รับความรู้สึกในเพศได้ไม่มีความรู้สึกในเทศจะมีจะได้ฝ่าพระอนาคามีถ้าท่านภูริปฏิบัติต่อไปขึ้นหนึ่งไม่หลงในรูปอรรรานสองไม่หลงในรูปอรรานสามไม่มีมรณะชื่ตัวชื่อตนสี่ไม่มีารมณ์พุ่งสั้นทางวิบากใจอารมณ์ อาไม่เห็นความดีมันจะสร้างสุโลกกับพโลกเพว่ามันตัวโลกสร้างโลกกับภพโลกมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ระดับควารทุกข์ทังอย่างเดียวจิตถัดตับสังขารปิดขาหยางเสื่อมมองเฉยร่างกายร่างกายมันจะปวดเระเฉยมันปวยไปเรื่องเร่างกายร่างกายจะแจกร่างกายจะาจกร่างกายจะแยกร่างกาย อย่างนี้จะเรียกว่าะอาหารเนื้อเราไม่หว the the like ั่นไว้ในโลกธรรมทั้งหมดเพราะาทรบตนที่บ้นนั่นนี่ทั้งหมดจ็ดีฟ้าทั้าหมดก็ดีเนื้อไม่เสมอกันวางท่านจะเป็นบุตรชนทัานดีวางท่านจะเป็นบุตรชนทัานเลวบางท่านจะเปโสดาบันบันท่านเป็นสุนาามีบันท่านเป็นพระอนนาคาไม่มีอยู่ไม่ใช่คนดี ทั้งเรว่าสั้งพระฉะนั้นสัยของบุคคลใดสามารถจะไปบรรลุสันได้ให้ปฏิบัติตามนั้นทางความดีที่ยื่นไป น, บบ น, นี่เป็นการยอกกันไว้ว่าเชื่อท่านทร่นัม่ทั้งหลายทั้งหลายไม่มีสนาวัทธาไม่เสมอกันแต่ขอทุกคนตั้งใจว่าอย่างเดียวคือทาความดีความดีที่เราจะนำมาด่าจะเบ็นสัตว์ได้ในวันนี้ก็คือธรรมชี วันนี้ท่านบวชเป็นพระวันนี้ท่านบวชเป็นชีวันนี้ท่านอาศัยโบสถ์สัจีิประโยชน์อย่างยิ่งทั้งสุดจากคามเป็นพระสุดจากความเป็นชีทุนจากการอาศัยโบสถ์สัจฉินี้ก็ยังเป้งเพรว่ากำลังก็เกิดก็จะาบหมดบางอย่างออกเพิม่มบางอย่างเข้า พอเป็นสมาธิแล้วก็ปลดอาการมัจะดาเวออกหรือจะทราะกามเนื้ปลดที่การพัปยดาวเวออกไปทั้งสามข้อด้านหลังก็ตั้งใจรักษาข้อสี่ขาบมดสิบวันนี้รักษาแปดก็จะหมดแล้วพวกช่วนะถ้าสองวัยุบ เอาไปแล้วตั้งอยู่ในตังหวดสิบประการตัวหนึ่งทางกายไม่ข่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ค ร, รู้สึกอกลางแห่งคุณค่าทำไมโกรธึ้นไม่ดืดม่มโซดาไดมีอะไรก็ที่สองทางวาจาไม่พูดกกไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียบไม่พูดพาจาพูเจอหรือไหลสามทางด้า น, านจิตใจ ไม่อยากได้ทรัพย์สินบางทุกข่ายโดยไม่ชอบทำสําหรับสุนที ar, ่ห้าหรืี่แจะต้องขโมยงั้นก็จะขาดพอหมดสิจุลไม่ขโมอยากได้เห็นบาปแล้วขาดแล้วเพราะว่าทรัพย์สมนใหม่ของเขาก็เป็นของเขาพวกเราเป็นของเราถ้าเราอยากจะได้ต้ก็ขอเขาจะเขาไม่ให้เราซื้อเขาซื้อเราไมเราซื้อเขาไม่ให้เขาลิกกันก็าดูสองความโกดยังมีอทางจิตใจ แต่ว่ากาจรจองล้างจองผันจองกดไปมีหัวขาดมากรา้วไม่ ม, ม, ม, มีถ้ายังมีจิตใจหัวขาดจ้อะไรถึงสีคนมีขาดไม่ละมัดขาดข้อที่สามไม่คล้ายคล้าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนถ้าไม่ไม่เชื่บ้างไม่เชื่บ้าง างคบบ้้บบงเหมือนคบบั้เดอพเอนั้นเดอพเดที่แต่ลข้อวังเมื่อก่อนจะหลับก็ตั้งใจคิดว่าสมุทรสิบราการรีอะไรบ้างชนหนึ่งไม่ฆ้าสัต์สองไม่รักสัตว์สามไม่รูธิดรายการแทนนิ่งสีไม่ดืสุราจมีอะไรทางวาจารสามคือไม่พูดโดรธไม่พูดคำวิจารไม่พูดแซวเสียใครก็แต่ง้า่ากัน ไม่ใช่วาจ า, าไว้ปรยคเพื่อเจริญรื่นไหล่หากเจ้าจิตใจหนุ่งไม่อยากได้ซัตว์สมัยทุกใครโดยไม่ชอบทำในการที่สองไม่จองล้างจองแผใครยใรการที่สามไม่ ค, ค่อยค้างคำทางสองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนได้บ้างทาไม่ได้บ้างคบเพืนบังระวังบ้างขังไปบ้าง ที่กาวแล้วว่าอย่างนี้บุคคลธรรมดาท่ันจะตาสักตัวยายายยพยายามทยืนอยียว้าหน้ามันบัญชีบกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จดในบัญชีแก้วตัวทองทั้งนี้พอะไรเพระพูกนี้ไม่มีโกาสจะลงมารกถ้าบรนด า, าท่านบริษัทท่นานใดที่เป็นรพระก็ดีชีชพจดีสิบอไเลาบรวารในระหมดสิบราการในสักเพนอ้ำอีกทีน วันหนึ่งทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่กิจารณาดีถ้แถมไม่ถึงภูราบมูลใดสอนต้องวาจจไม่พูดปลดไม่พูดสัญญาไม่พูดสอสนศีลไม่เจือลนไหลไม่พูดสอีลก็แต่งล่กันไม่พูดวาจาไม่เจือลนไหลทั้งได้จิตใจไม่ไม่อยากได้ทหม่ใครมาเลยของตงนโดยไม่ทัท ท, ท, ท, ท, ทและก็ไปจองร่างจองแานใครโ ก, กรธก็กรธลไปไม่ใช่ไม่โกรธ ค่คันองสสองอก็เป็นจมไปบนสมสารดางอี่างนี้เป็นพระโสดาบันขัตนเอกกิชีต้องท่ากนทำเอใจจนแข็งยิ่งไปว่านี้เห็นเทความโลกเราไปซับชิงเท่านี้เราก็ลงทนเท่านี้ก็ร้อู้ยืมเขาถ้าไปกู้ยืนเขาก็ดูว่ามันชำะดีทำได้เคงอย่าไม่้หมถึงความโลก ถ้าไดเกียรตะกายยาได้สักสมัยสักวันใดดไม่จอดตามจากจนี sane, ulo, ้อารมณ์อารมณ์ความโลภมันเทาความโมดชลโ่นลงว่าเพียงใดพอใจเพียงนั้นหาได้โดยสมมาสีวะเพียงใดพอใจเพียงนั้นไม่เกียรติกายเป็นไปในการที่สองลดอารมณ์ความโกรธเป็นต้ความโกรธเพืชื่อความกรธเป็นไปเพราะขดไงามดังหรอว อารมณไม่เป็นสุขความโกจธคนมากจะบุกกระจายใครโกรมากมันเป็นคนเป็นคนนักโกรธจว่าคนนั mm ้น hmm. มีหน้าตาหน้าตาไม่สวยเพราะเราไม่ชอบมองอุบการหนึ่งจะแก่ง่ายให้แตกความโกรธด้วยารม์ความพอใจเป็นปกติธรรมดาให้ถูกว่าธรรมดาคนที่เกิดมาในโลกทุกคน ทุกคนต้องการความดีทั้งหมดเขาจะพูดก็ดีเขาจะทำก็ดีเขาจะคิดก็ดีที่ผู้ที่ทำดีคที่คุณเขาดีก็เขาทำดีพูดดีคิดดีแต่ว่ามัามีการบัาเอิญอย่างเยอะไปคิดชั่วทาชั่วตั้งชั่วเข้าทางนี้ตัวเขาเองเขายังไม่รู้ว่เป็นความชั่วก็อายเพรากดของกรรมก็ข้องการในเบื้องต้งทิ่ทำมาแล้วในใจก่อนมาสนอใจ ใ, ยย ใ, ให้มีคฟามเข้าใจเห็นว่ผิดถูกโดยสถกเป็นผิคิดว่าทางฟางช่วยทางดีเ็รกระบการอย่างนือนในชาตินี้เขาก็ไม่มีความสุขเมีแต่จงเจตายจากสมุนไพราบบาก็ไปรอมาอกพรมไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเต่กล้างป็สวายบ้างไปสัตวอฉันบ้างเมื่อเราเห็นคนเราเที่เข้าใจการสงสารเมตตามีความนักนใารเมตตาคการสงสาร คิดว่าในชาตินี้สวรภังหางความสุขูรณ์ได้แล้วชาติต่อไปเ้ามินาัทุกมากยิ่งขึ้นไปเราก็เป็นคนประกจบต่อใครคิดอย่างพระจ้าที่ดทได้คิดองค์สมเด็จพระธรรมสานิจงตังพระธรรมเตศสนาโ ย, ยเวลาทัานจากับมูชางคนของพระมาหาองค์สมเด็จพระรมมคโอตอั้ก็ไว่ามี สิทผู้หญิงของเขาคนหนึ่งมาฟังเสี้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็เป็นขาะจารย์เป็นขาะจารย์สคนและเมื่อตอนชาติสิองเขาถืออาหารมาให้เมื่อเอิญเ้าผู้สิทธ์ของอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาชนจะิญลมจึงได้เล่ามว่าพระสมณะควรบุญโชดด้วยพระอาจารย์ในสงฆ์านักของร หาหญิงไทยมอสรรเสริญพระสมาสัมพนทธเ้าโด่ o ด่เกินไปหญิงนั้นก็กลาวว่าทาอาจารย์ท่าอาจารย์ยัไม่เคยฟังเสวพองสุดประสบมาสัมปัสจรรถ้าทางช่องฟังเสวยพระองค์สุดะสบมาสัมปัสจรรย์เวลารี่ติดใจมืนอาจจะแ้ได้ยิ่งกวใหญ่ความคิดก็จะดีมันค่อยดีกว่าก็แปลว่าตามความคนนั้นก็ขอใครท่านอรปหานไปแล้ว ทางคนนั้นก็เกิดพระพุทธเจ้าคนนี้ลูกอยากชื่อไม่รินข้าวโดยไปหาองค์สัมฤทธิ์สัมมาจุติเจ้าพระสนักไม่ห่างกันปุรานั่นองค์สัมฤท็จพระพุทธวันจะบังเทศอยู่เขาเาไปยีข้างหน้าองค์สมฤทธพระพุทธวันก็โกรธนกล่าววาจายุ่งจุงจพระบดายางชาวตลับ ด, ดาดกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ด่าตอ เขาด่าคนเดียวพระเจ้าเราสงสรหยุดเทินเราเมื่อมีคนมาเทิดแทนเราก็ไม่ตรงเทแสดงแต่รฟังเทศมใ่ถ้าเาหน้าฟังเทิดเขาแกเทิไปเมาด่าไปดมาแกก็นื่อยจเหน่ยก็ลยหยุดแกเอามือชีลหาว่าธรรมะโคดมแกแพ้ขานแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามีพุธกาตฐาว่าธรรมะดุก่อนกามตถาคตฆ่าเธอตรงไหน เขาก็บอกว่าแต่ฉันด่าแกแกไม่ด่าต่อฉันนี่จะก็แปสันไม่ซื่อเจ้าหรวงเก่าด้วยวาจาปกติพระมณกนคามตานคบมีความรู้สึกว่าบุคคลใดถูกถานคบมาถ้าถานคบตอบถานคบจะเลยแนั้นนะใช่ไจมจาจไว้นะอย่าปูกได้ให้ด่าชาวมณฑลว่าไปจิตใจะทางไว้นะ ก็เราชาวนั้นถือว่าเป็นมนดิตเนคนมีบุญพอ ท, งทังเพลงเช้านี้ก็มีามสารุสกตัวเราผิดนั่งลงยยนก็นั่งกระโย์ยกมือไหว้ขอไอพรกเจ้าขอฟังเทศพอพุะ เ, เ, เ, เ, เ, เจ้าเชื่อจบเชิญจนแล้วไมา่ช้าก็เป็นพากระหันอย่างนุชีโอนี้กันก็พาวว่าบราดาท่านบริษาทุกท่านให้จ้รับพรากวกด้วยเด้ตาจิตชีพมหาสี จงตั้งใจไว้เดียวพระเจ้าทำอย่างไงเราทําอย่างนั้นคือ พ, พ, พรเจ้าปรกว่าเป็นธรรมเราสงสารความเป็นธรรมเรา ส, สรันสนเป็นธรรมดาของชาวโลกถ้าเราเป็นคนดีเขาก็เหนักว่าเราเลเราก็ไม่เลวเป็นทางธรรเขาพูดถ้าเราเลงเขาทันสนว่าเ ร, เราเป็นคนดีเราก็ไม่ดีเป็นทางธํามเขาพูดเราจะดีหรือเราจะเลวเที่การรู้ปฏิบัติของเรา ใช้ยครเรียกว่ากล่าวยังไงเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ว่าเจริญิจรตและพรบถไว้จนกระทั่งความกระทั่งบางลงไปยางนี้ก็ถือว่าเป็นองที่สองพระพทธทาคามีและก็พยาามนสาทุกคนให้ตั้งใจทงความดีเพยอมนับถือพระเจ้าทำสองสององค์ด้วยปัญญากระนพะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติไั้หมดซึ้งสุจริต ท่านบวดอยู่ถือว่าท่านบวชท่านสุกตอนแรกก็ถือว่าท่านยังหมดอยู่แต่ว่าท่านนี้ยังกินข้ายืนได้ยังมีสามีพัญญาได้ไม <c oughs> ่ต่างกันท่ทานพรบรรดาพระมุทุโภษทุกท่านที่มาวันนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่จะสึกเพราะท่านพิจารณาศึกษาในสองอย่างชวิจะลาอิสานยิ่งศึก สุดเลถ้าสุด ก, ก็ต้องป่าหัะออกถ้าลาธิคาก็ต้องไปงเจอสัมยวน <c oughs> เป็นว่าทางพระก็ว่าพจะยาธิขาไปในีวพระที่อยู่ด้วกันพระองค์ให้ตัง้งกนลังหมดสุบประการอยารู้ว่าถ้ากำลังหมดสิบประการนี้นไม่มีในบุคคลใดจะือพระองค์ใด พระองั่นกะเดีไม่มีศิลป์227เพราะว่าเวลาโดนมีมากนะเด็กมเยอะในพวกอย่างนี้ไอ้ที่เขารัยพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่อย่างอีกข้างหนึ่งรียกผู่ผู้ใหญ่เจ้านี่ตใจแคผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพราะผู้ตรงู้นไม่ใหญ่ไอ้พวกผู้ใหญ่เนี่ยพวกเมื่อสิลป์ไม่สมัย มันก็่ิที่โพกใไถ้าผู้ใหญ่แั้วก็มีศีลผู้ใหญ่มม ไ, หมมไม่มีศีลก็อะไรไถ้าพวกนี้เขาไปสังเกตโดยดีจะมีมารณ์เถือตัวด้วยตนใครจะทำสงังสารกองสงเด็จพระธรสัพ น, น์พระเจ้าทรงแนะนำว่า ไ, ไอ้การเถิตัวด้วยตนมันจะกิเนียอยากที่หน้าารเปลี่ยนอย่างนี้ เ ร, เราดีกว่าเราดีกว่เขาแต่ดีกว่าเราเลวกับเขานะดีกว่วเราเสมอเขาสักอย่างนี้เลยทั้งหมดจงคิด ว, ว่าเรากับเขาก็คือคนเส่นเดีออยวกันมีความเกิดไว้กันมีความแก่ไว้กันมีการเปิดใช้ไปเสบายไว้กันมีการทักทายเจ้าของขและ ข, ของชอใจด้วยกันมีความตายในสุขเหมือนกันเราจะดีหรือเราจะเลวเขาจะดีนะเขาจะเลวเป็นเรื่องของเขา ารปรับปรุงตัวเองโดยเพพาะอัตนาจตกาณนั่งท่านบอกว่าเด็กาพื่อจะทำติตนเองไล้เสมอใครเขาจะเป็นไงใค้เขาะ่าสัตว์เขาตกเขาเขาตกกับคนเดียวมันยังตกด้วยเขารักเขาก็มยบางคนใดเขาเขาเขาก็ใครเขอย่างเขาเขาตกกับเขาเขาตกกับคนเดียวมันยังตกด้วยยางเร่องต้นเราก็มาทำตัวเอง ว่าเวลาที่เราเคยฆ่าสัตว์ไหมไอ้อที่แล้วเห็นแล้วก็ไปต่อไปวันหน้ า, นาจะมันรู้ไปเราไม่ได้ฆ่าสัตว์และต้องทําให้ได้ในกาลที่สองเราจะไม่รักทรัพย์เราต้องทำให้ได้ในกาลที่สามเราจะไม่ทันชู้ลูกเขาเป็นใครพวเขาพวไทยรเราจะต้องทําห้ได้ในกาลที่สี่เราจะไม่ดื่สมสมาเราไอะไรต้องทํำให้ได้ ต่อไปทางด้านวาจาเราจะไม่พูดพกหความไม่จริงเราจะไม่พูดวาจาหยาบเราจะไม่พูดวาจาสอสิทธิจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์เจะไม่พูดต้องทําให้ได้เมื่อเรามีเราทำได้แล้วอย่างว่าไหนบุกต้องบังดูตัวเอง น, อ น, นี่เป็การหนึ่งเรื่องกําลังใจใจหรู้เราประทับยากแต่การยิงไม่ยาก ถ่าเล่าเราตั time, ้งใจมันคับจริงๆมันไม่ยากมันก็พลาดบ้างไม่พลาดบ้างเป็นของธรรมดาเพราะเราคิดว่ามันยากเราไปทาขนาดมันยากยากาะไม่ทาถ้าทาได้มันมันยากได้เราัใจคิดว่าซากสมบัตของเราเรามีความรักสันใดซากสมบัติของคนอื่เขาก็มีความรักฉะนั้นจะมาสมุนทำไมจะอยากได้คำถามทำไมแต่การในสอง อารมณ์ความจองล่างจองผายความโกรธจะมีอยู่เป็นขอธรรมด า, ามยังไม่ไธรรมดาคาร์บีแต่ว่าโกรธแล้วก็ล้างก็ไปไม่จองล่างจองผายเขาถ้าจองล้างกันจองล่างจองผายเขาได้เราเป็นโทษแต่คนเดียวเขายัางไม่มีโทษคนนี้พอยถ้าโกเขาที่จองล่างจองผายเขาแล้วก็นอนไม่หลับกินได้อยากจะแก้โมเมอยากจะดักว่าหันไปอยากจะทำได้แล้วคิดไปคิดมาคนเราไม่ได้ เมื่อนานไม่อยากกินไม่ได้ร่างกายาสุดสงทุกปัจจักับเราแล้ว <c oughs> ก็พิกรรต่อไปเราก็ไปฝาุนสัสอสมเด็จโตธสมัมมามพุทธเจ้าซึ่งชื่อกลางกาลังใจบรรดาธรรพุทธบริษัทตทา่างๆีเรื่องดีเรื่องนห น, าหา น, หนงึในเรื่องคนหลายชั่นโมนาทีมีพระชุกหนึ่งไปเรียนกาบัาจากธรรมพุทธเจ้า เระรามธรรมทจบกเข้าป่าเพราะเอ็นหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่เข้าป่าก็ไปพักในบ้านชางหนึ่งมีรงฉันพร้อมก็มีโยมผู้เท่าคนหนึ่งเป็นแม่บ้านใหญ่บอกว่าพระคุณเจ้าจะมาทาไมพระก็หลังว่ามาจะมาจเริพกกระธรรมฐานจะทำตนให้เป็นพออะระอริยเจ้าญาติโยมก็มเรีมันเสือยู่ที่บ้านหรือเรากะฉันให้มาฉันที่นี่จะเริยนฉัน อ, อยู่ในป่าตามสบายใจ ถ้าเวลาท่านมาพร้อมกันพาชุดนั้นไปไปกรรมฐานได้ยังไม่นานนักแต่เดี๋ยวก่อนยบก่อนที่พระจะไปเจปริรรมานโยมก็ถามว่าท่านท่านาย่งไรพทะเจ้ า, จา ส, สอนกรรมฐานแบบไหนท่านบอกว่าสอนตั ก, การสอนทสองคูค่ผสมคนเลือกพั น, นอย่งอต้องโยมฟแล้วโยมรูจะปฏิบัติบ้าง ถ้าขณะนั้นปฏิบัติยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ว่ายผู้หญิงท่านเป็นพระอนาสา น, านีพระมนสมุทัยญาณได้ก่อนแต่สมุทัญาณ น, นี่บาเวลาเขาจะใช่จริงจริงยนังยที่ไหนก็ตามเราเขาอยากจะรู้อารมณ์ของเราเขาไม่ได้ทันทีเขาต้องพูดใจจริงแสนย่อมเขาก็รู้มาตอนนย็คิดว่ารักโลกของเรา เวลานี้มีความสุขอยู่หร้อก็สร้างมีความสุขเพราว่าข้าวสุกแล้าอาหารไม่พอบางทีย า, ายชา้นจะั้ต้มบางทียายชั้นแกงบางทียายชั้นชั้ผัดอย่างนี้ไปต้นแต่อาหารที่เราทําไปไม่ตรงวิญญาณใสของพระฉะนั้นเวลาตอนเชา้าโยมส่ลูไห้ทํากับข้าวอย่างนี้เท่ากับข้าวนิทานนิพระต้องการถ้ามืใหญ่ฉันต้มเช้ามีอก็ไม่ต้ม พระอยากเห็นแก่ชามายัแจ่พระอหญกเั็นผัดจะชาวยังผัดพระก็เลยสร้าสมเด็จหารไม่ช้าไม่งนานก็เป็นพระอริยเจา้าต่างคงก็ต่างลายญาติโยมกลับไปหาพระเจา้าพระเจ้าในเมือเ่อพระเจ้าพระเจ้านั้นก็สอนเล่าให้ฟังเล่าพระเจา้าฟังว่ามีโยมท่านหนึ่งรู้จํานังใจขอพระพระมีความต้งองการย่อยทำอย่ า, ง, ย า, ง, านยงนั้นทุกอย่างเราไม่ก็พูดกัน พระเจ้าจังว่าโยงคนนั้นเปนพระอนาคานสมิธายา Adobe, ยก่อนพวกผต่อราก็ม so ีพระองค์หนึ่งอยากจะอยู่ที่นั่นบ้างเพื่อกลัวโยมใช่ไหมเพราะว่าดยังไงโยมก็กลัวพระเจ้าถ้าอยากจะไปไม่สมบัติปัะญาไปต้งกลัวเพรว่าจะไปที่เชอเข้าพระเจ้าเวเอานี้ก็แล้วกันถ้าจะไปี่่ด้หาก็ขอห้ามอย่างใด้พื่อเอาย่างเดียว ถ้ากอได้ห้ามใจคิด <HHH> ชั like ่วใช่ไห้ามให้เราตกไปเมื ie, ่อไปนะต้องทตามมันห้ามคิดชั่วเ็อย่างนการระมัดวังไอ้ความกลัวเนี่ยเป็นปัจจัยให้บรลุมารคผลถ้าคิดชั่วเยอะเกินโนจะรู้ก็เลยคิดแต่ความดีไม่ฆ่าก็เพไาะวันข้าไม่สมนิธานายไม่นานนักนอกกว่านี้ถ้าไม่สมนธายายก็กำลังนก ก่าโยมคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้ออะไรกับเราบ้างก็ทราบไปเก้าทเก้าชาติว่าในเก้าทุกเก้าชาติเราเคยเปสามีของนางแต่ว่าเราถูกกระหารชีวิตจากนางการก้าครั้งพระเป็นพเจ้าส ก, ก็เลยลตั้หนึ่งอย่างมือว่าทำไมทั้งง่ายแบบตอนี้ยมยังเลี้ยงเราดีไปกันด้ยบอกท่านเรื่องคุกชาติได้ยังสิ <laughs> ฉันาภเป็นชาติหรือว่าคนในคนใน่าคนในบ้านนะตัวนีเป็นชาติเราก็ราว่าชาติใดเรอาศัยที่เราบรรดาใพุทธบริษ่ททัหลายเวลานี้หมดเวลาแล้วนะก็จะหมดเวลาเขาต้องมีเร้่งหนึงว่าก่อนจะสิจางชีก็จะสิจ่างพระก็สิไปแล้วให้มันเป็นชีสุ่มตัวพระซึ่งตรวพระละ่งตัวผู้สารรับบนสิไว อย่างตารใช้จา์รักษาไว้ไปจนถึงครามที่การัพจนาวีไปจนถึงจริงเขยิบเขวนได้แล้วก็ทักชมดอกไม้ได้แต่งตัวดอกไม้ได้ไปเป็นไ ร, รก็ร้ง อ, องความาขอตำหน่งไรเมื่อบวดแล้วบวทข้ามหนึ่งในชีวิตกระลึกหมดตลอดชาติเวลาที่เราบดหมดตัวสมัยหมดตึนตัว ท้งนี้ก็ราะอะไเราะว่านาบัญชิตบอว่าถ้ามือขึ้นตัวเขาไม่ใช้แผ่นทองตัวแก้วอันนี้เท่แตกไปหน่อยนะเพราะว่าใช้ไม่รู้จะเท่อะไรแล้วก็พอดีขึ้นมาก็พัญญายงกำนังชีเพิ่งขึ้นมาตมองเท่ยังไม่มาเล่ากัน่อกเขาไปยังเทกันบอกไอ้เขาว่าเทึกันเลยกันแล้วต่อมาพระเดชุรเจ้าปฏิบัตนแล้วบอกว่าเท่จะหมดสิ เป็นเขาเนเขาบอกว่าเมื่อบวชอยู่รู้ตัวว่าหวดสึกแล้วก็ยังรู้ตัวห่าบวดอยู่ววบวช น, น้อยกว่าเป็นพระพระในศิลสองรยยิบเจ็ด